เพราะเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยลาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พระราชพิธีสำคัญในการเสด็จถลิงถวัลยลายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชาจักรีวงศ์ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเสุฐาพิมลลักษพระบรมราชินีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกา ส, สเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมากในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเบื้องปลายวันที่24ตุลาคมศนี้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 และสาขาที่ 2, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รงังสิท์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิเ่มเติม0 2 5ย์สองห้าสสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รงังสิท์โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัญบุรีให้บริการตรวจรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหัตถ บ, บำบัดนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลายอบไอ้น้ำสมุนไพรประคบสมุนไพรดูแลมานดาวหลังคลอดเปิดให้บริการทุกวันที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัดตระเลิกสอบถามโทรศู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 วิทยุราชมงคลธัญบุรี a i r f อ็5เมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมรดกไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์สมพงษ์บุญหนุนควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารและผลิตรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนผู้ดำเนินรายการมรดกไทย มานั่งประจำที่อยู่ตรงนี้นะครับเราพบกันที่คลื่น FM 89.5 MHz เมสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้รับสิทธิ์ชิมช้อปใช้นะครับก็คงจะเริ่มเดินทางไปชิมช้อปใช้ตามจังหวัดที่ลงทะเบียนสำหรับคุณผู้ฟังที่ อยู่ในกรุงเทพอาจจะลงทะเบียนชิมช้อปใช้แถวประทุมธานีอยุธยานครนายกหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางแต่ว่าถ้าเกิดจะมาจังหวัดประทุมธานียังไม่ทราบว่าจะไปชิมอะไรที่ไหนจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนเดี๋ยววันนี้รายการมรดกไทยนะครับแต่ละช่วงก็จะมีสิ่งที่เชิญชวนให้คุณผังได้ชิม ได้ช็อปแล้วก็ได้ใช้ด้วยกันท่องเที่ยวดังนั้นแต่ละช่วงของรายการมรดกไทยมีอะไรบ้างผมขอแจ้งรายการให้ทราบเลยนะครับช่วงมรดกเพลงไทยวันนี้ก็นําเสนอเพลงแม่ค้าตาคมเพลงนี้เป็นเพลงเก่ามากแต่ว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะมากๆเป็นผลงานการเขียนคําร้องแล้วก็ทํานองโดยครูภัยบูรณบุตรขันนะครับ ต่อจากเพลงแม่ค้าตาคมก็มาถึงมรดกวิถีไทยแม่ค้าสมัยก่อนเขาก็พายเรือขายของนะครับหรือว่าเดินทางไปซื้อสินค้าจากอายุธยาก็ไปที่กรุงเทพแถวท่าเตี้ยนดังนั้นวันนี้การสัญจรทางน้าในอดีตนั้นเขาโดยสารผ่านเรือเมนะครับเรื่องราวของเรือเมที่มีอิทธิพลต่ อ, อวิถีชีวิตของคนไทยนั้นมีความน่าสนใจมาก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะไม่มีเรือเมย์แบบนี้แล้วแต่ก็เรื่องราวของเรือเมย์จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆในช่วงมรดกวิถีไทยก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับช่วงที่สามรดกภูมิปัญญาไทยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะชิมนะครับผมก็ยังแนะนำให้คุณผู้ฟังลองไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือที่รังส็จเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือลังส็จนะครับเพราะฉะนั้น ประวัติความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวเดวลังสิทนั้นน่าสนใจทีเดียวข้อสําคัญนอกจากประวัติแล้วก็รสชาติของก๋วยเตี๋ยวก็ดีมากๆเลยนะครับช่วงที่4มีมรดกทางภาษาถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ชิมเรียบร้อยแล้วก็อยากให้เดินทางเลยไปอีกนิดนึงจากแถวรังสิทก็เดินทางไปที่วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นั่นคุณผู้ฟังสามารถที่จะกราบ พ, พระขอพรศิ่ิศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รับทราบเรื่องราวของ ตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระนางสร้อยดอกมากซึ่งเป็นตำนานที่แสดงถึงความรักความพลัดพรากแล้วก็ความเศร้าโศกนาตกรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาอย่างน่าสนใจทั้ง4ี่ช่วงเหมือนเดิมนะครับยังมีเพลงเพราะๆที่น่าสนใจและเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังยังนึกถึงคิดถึงเสมอๆดังนั้นเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่ง แล้วกลับมาพบแต่ละช่วงของรายการมรดกไทยนะครับ FM 8 9 5สิบเมกะสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี คุณนฟังครับเรามีเพลงดีๆมากมายที่ถูกบันทึกผ่านการเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับและในช่วงโมโรดกเพลงไทยผมจะนำเสนอเพลงแม่้าตาขมเพลงนี้มีอายุเก่าแก่นะครับและข้อสำคัญเพลงนี้ถูกเขียนด้วยคำร้องแล้วก็ทำนองจากครูเพลงที่มีความสามารถมากๆ สำหรับครูเพลงท่านนี้ก็คือครูภัยบูรณบุตรขันนะครับเรามาดูประวัติเรื่องราวของท่านสักนิดหนึ่งเพราะว่าท่านเองก็อยู่ที่ปทุมธานีนี่เองนะครับบ้านเกิดของท่านครูไับูร์บุตรขันเดิมชื่อภัยบูรณประณีท่านเกิดที่บ้านท้องคุ้งตําบลเชียงรากใหญ่อยู่ที่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านเป็นบุตรของนายบุตรแล้วก็นางพร้อมประณีตครอบครัวมีอาชีพ ทำนาตามหลักฐานที่บันทึกไว้บอกว่าที่บ้านท่านก็มีฐานะค่อนข้างจะยากจนนิดหนึ่งท่านมีพี่น้อง3คนนะครับแล้วเมื่อครูไัยบูรณ์อายุได้6ขวบปีดาท่านก็เสียชีวิตดังนั้นท่านก็ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูโดยนายเจนบุตรขันซึ่งก็เป็นอาหลังจากนั้นก็ได้นำท่านไปอยู่ที่แถวปทุมวันกรุงเทพ แล้วก็ได้เปลี่ยนานามสกุลจากประนีตมาเป็นบุตรขันสำหรับครูพัยบุญบุตรขันท่านเริ่มศึกษาชั้นประถมที่จังหวัดประทุมธานีแล้วก็มาประถมปลายที่โรงเรียนสตรีประทุมวันแล้วก็ศึกษาจนจบมัธยม8ที่โรงเรียนสวัสดิ์อํานวยเวศกรุงเทพนะครับแล้วก็ศึกษาดนตรีเพิ่มเติมจากครูพินโปร่งแก้วงาม ซึ่งในปีพศ2476ถึง2478แล้วท่านก็เรียนวิชาดนตรีแล้วก็โน้ตเพลงสากลเพิ่มเติมที่สมาคม ymca แถวแถววตรจักนะครับคุณผู้ฟังจากนั้นท่านก็ได้ใช้โน้ตดนตรีนี่แหละในการประกอบการแต่งเพลงทุกครั้งเป็นต้นมาหลังจากที่ครูภัยบูร์เรียนจบได้ทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยที่โรงเรียนกวงสิ๋ว ซึ่งก็ทํางานอยู่ซักระยะหนึ่งแล้วท่านกะลาออกไปทํางานเป็นช่างไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าสามเสนนะครับแล้วท่านก็เปลี่ยนงานไปทํางานกับคณะละครคณะแม่แก้วแล้วก็คณะจันทโรพาศของพลานบุญแล้วก็ทําหน้าที่เขียนบทละครวิทยุแล้วก็แต่งเพลงนะครับผลงานของครูไพบุญบุตรขันซึ่งท่านเริ่มบันทึกแผ่นเสียงเมื่อประมาณปี พศ2490นะครับโดยการแนะนำจากสวัสดิภาพบุญนาคซึ่งก็เป็นเพื่อนแล้วก็มีศัก์เป็นน้องเขยเพลงในยุคแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นเพลงมนเมืองเหนือ er, คนจนคนจร อ, อย่างนี้เป็นต้นดอกไม้หน้าพระดอกไม้หน้าฝนแล้วก็ที่สำคัญก็มีเพลงค้าน้ำนมซึ่งก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานเพลงที่มีคุณค่า แล้วก็ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคําพระราชทานอย่างเช่นเพลงโลกนี้คือละครซึ่งเพลงนี้ก็ขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรตินะครับแล้วก็ยังมีเพลงเบ้าหลอมดวงใจมนรักลูกทุ่งซึ่งเพลงนี้โด่งดังมากเพลงนี้ก็ขับร้องโดยคุณไพรวันลูกเพชรแล้วก็มีเพลงฝนเดือน6ขับร้องโดยรุ่งเพชรแหลมสิงหลังจากที่ครูพัยบุญเสียชีวิตไปแล้วหลายปีนะครับ จนกระทั่งมาในปีพศ2532ผลงานเก่าๆที่ท่านได้เขียนไว้นั้นได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลพระราชทานในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยมีจำนวนถึง10เพลงด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเพลงชายสามโบท์ซึ่งขับร้องโดยคำรณสัมมาบุญยนนท์ก็มีเพลงน้ำตาเทียนขับร้องโดยคุณทูลทองใจ เพลงบ้านไร่นารักแล้วก็เพลงเพชรร่วงในสลับซึ่งขับร้องโดยคุณชินกรไกร ล, ลาดนะครับมีเพลงฝนซาฟ้าใสาขับร้องโดยยุพินแพรทองฝนเดือน6ขับร้องโดยรุ่งเพชรแหลมสิงบุกเพศนิวาตและเพลงมนรักแม่กลองขับร้องโดยสอนคิรีสีประจวบเท่าที่ดูถ้ามีโอกาสผมจะเปิดเพลงเหล่านี้นะครับ และนี่คือผลงานสาคัญสาคัญแล้วก็ยังมีเพลงนุ่มเรือนแพรขับร้องโดยกาวเหว่าเสียงทองคุณผู้ฟังครับนี่คือผลงานอันยอดเยี่ยมของครูไปบุญบุตรขันเพลงแม่ค้าตาคมเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความน่าสนใจแล้วก็บันทึกเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยไว้ได้อย่างน่าสนใจมากที่สุดตอนนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังเพลงแม่ค้าตาคม ขอเชิญทับฟังครับ วนวิ่งไปเหมือนหัวใจพี่ตกลุงที่ททร่มรากแม่เนื้อหนวลแม่ผ้าตาชาวานเลี้ยไม่เห็นเนื้อหนวลที่นั่งรำรวนใจยุเรียนคอยนัก้องที่หาเทียนทุเที่ยวเรือเปลี่ยนไม่เห็ น, นาแม่ ดวดนกลับไปมือหัวใจพี่ปวดแสนไม่พบหนา้า รายการมรดกไทยจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาไม่ได้หวังผลทางการค้าและเชิงธุรกิจขอขอบคุณข้อมูลและเพลงจากแหล่งต่างๆที่นำมาประกอบในรายการนี้พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันบัวมากกว่า100สายพันทั้งบัวพันไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสม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 หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบบัวไม่ควรพลาดเชิญชมและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ3โมงจันทร์ถึงสุขโทร025493043หรือที่ www.lotus.r ว็บ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 สวิทฟม875วิทยุราชมังคลทัญญาุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th ท 02-691-7738-8 งัมาถึงในช่วงโมรดกวิถีไทยช่วงที่แล้วเราพูดถึงเพลงแม่ค้าตาคมคนในสมัยก่อนเวลาค้าขายก็กจะพายเรือนะครับอาจจะมีการนั่งเรือเมยกตัวอย่างเช่นจากอายุธยาไปถึงท่าเตียนที่กรุงเทพนำสินค้าที่ซื้อจากแถวกรุงเทพกลับมาที่อยุธยาเพราะฉะนั้นธุรกิจการเดินเรือเรือเมในสมัยก่อนจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก และมาถึงช่วงมรดกวิถีไทยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าจากตายายพูดถึงเรื่องเล่าสมัยก่อนพูดถึงเรือเมเรือโดยสารในอดีต ท, ที่มีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยนะครับคุณผู้ฟังหากย้อนไปดูประวัติการเดินเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจากกรุงเทพถึงอยุธยาในสมัยแรกเริ่มก็จะมีชื่อของขุนพิทักษ์บริหารหรือท่านชื่อว่าพึ่ง มะลินทะวันนิตก็เป็นคนที่อยู่แถวบ้านสัมเพาล่มแล้วท่านก็ไปแต่งงานกับนางจางที่บ้านพักไหจากนั้นนะครับท่านได้ริเริ่มที่จะเช่าเรือกลนไฟจากกรุงเทพแล้วก็รับผู้โดยสารจากพักไหมาที่กรุงเทพซึ่งกิจการนี้ก็ตั้งแต่ปีพศ2435 แต่ว่าอาจจะโชคร้ายนิดนึงนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้ในช่วงนั้นไม่ประสบความสำเร็จเหตุผลก็คือว่าคนในสมัยนั้นก็ไม่ค่อยจะสนใจที่จะเดินทางไปทุระที่กรุงเทพไม่เหมือนสมัยนี้นะครับสมัยก่อนนี้การจะเดินทางไปไหนสักครั้งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วในที่สุดกิจการนี้ก็ล้มเลิกไปนะครับสาหรับเรือด่วนเจ้าพระยาก็พึ่งเข้ามาตอนหลังนะครับ เริ่มต้นในปีพศ2436สำหรับในเรื่องการเดินเรือโดยสารในลำน้ำเจ้าพระยาระหว่างกรุงเทพกับอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีวิทยาก็เป็นเรื่องเล่าขานที่มีความน่าสนใจเขาบอกว่าเรือที่ใช้โดยสารในสมัยนั้นก็จะมีอยู่ในกัน2บริษัทนะครับคุณผู้ฟังก็คือเรือของขุนพิทักษ์บริหารซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเรือเขียวสาเหตุก็เพราะว่า เขาจะทาที่บริเวณลําเรือเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทของฝรั่งที่เรียกว่าเรือแดงก็เช่นเดิมนะครับตัวเรือก็จะทาสีแดงทําให้ผู้โดยสารนี่จําได้ง่ายนะครับแล้วก็ยังมีชื่อเรือก็คือชื่อเรืออินทเนิลแล้วก็เรือนินละวันมีเรื่องเล่าขานติดปากกันนะครับบอกว่าเรือโดยสารในสมัยนั้นเขาจะแย่งผู้โดยสารกันแล้วก็แย่งกันขนาดว่า ประการที่1ยอมลดค่าโดยสารเขาบอกว่าเดิมค่าโดยสารเนี่ยประมาณ2องบาทห้นะครับหรือประมาณาบาทห้าสิบทีนี้เมื่อแข่งขันกันมากๆก็ยอมลดราคาเหลือเพียงแค่1สลึงเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเมื่อเรือของบริษัทไปพบกันเข้าเนี่ยอาจจะมีการแกล้งการมีการชนกันทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอๆนะครับถึงขนาดที่เรียกว่ามีการทําร้ายร่างกายทีเดียว จนกระทั่งต่อมาบริษัทสยามสติมแพ็กเก็ตก็คือเรือแดงของฝรั่งเนี่ยได้โอนกิจการ้ายธุรกิจนี้ให้กับบริษัทเรือไทยเมื่อปีพศ2483ความวุ่นวายการแข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจเรือเมยจึงยุติลงเรียกว่าไม่มีความวุ่นวายไม่แข่งขันไม่ทะเลาะ ก, กันแล้วนะครับ ผู้ฟังครับมีสิ่งที่เพิ่มเติมนิดหนึ่งจากบันทึกความทรงจำของสอพลายน้อยจากหนังสือเกิดในเรือนะครับได้บอกว่า เ, เรือเมเขียวเรือเมแดงนะครับที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็มีวิ่งในลำน้ำเจ้าพระยาในประเทศไทยระหว่างปีพศ2 5 0 5ถึงพศ2517แล้วก็เรือเมที่ผ่านเสนานในสมัยนั้นก็มีด้วยกัน3บริษัทนะครับ บริษัทแรกคือบริษัทสยามสตีมแพ็กเกตของชาวอังกฤษมีท่าเรือใหญ่อยู่ที่ท่าเตียนนะครับเดินเรือในเส้นทางท่าเตียนอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปากน้ําโพก็คือตั้งแต่ท่าเตียนอยุทยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทจนถึงปากน้ําโพนอกจากนั้นก็ยังมีเรือขนาดเล็กเนี่ยแล่นตามเส้นทางคลองประเวศบุรีร่มไปถึง8ริ้ว มีคลองภาษีเจริญดำเนินสะดวกไปถึงแม่กลองซึ่งเรือส่วนใหญ่ก็เป็นเรือไม้นะครับสำหรับบริษัทเดินเรือแห่งที่2ก็คือบริษัทสยามมอเตอร์โบอทก็ใช้อักษรย่อว่า smb ก็เป็นบริษัทของชาวเดนมาร์กซึ่งก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นบริษัทของฝรั่งที่ เข้ามาดำเนินกิจการการเดินเรือการขนส่งในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเส้นทางเดินเรือก็มีเฉพาะระยะไก ล, ไกลๆเท่านั้นมีทั้งทับเส้นทางของบริษัทสยามสตีลแพ็กเกจแล้วก็ที่แล่นไปจังหวัดอื่นๆก็มีนะครับเขาบอกว่าบางลำเนี่ยแล่นไปถึงสิงห์บุรีบางลาก็ไปถึงไชนา บริษัทที่3ก็เป็นบริษัทสุดท้ายนะครับเป็นบริษัทของคนไทยก็คือของหลวงมิลินทวานิชใหญ่มิลินทวานิชชาวบ้านเรียกว่าเรือหลวงมิลินก็มีการเดินเรือในเส้นทางระยะไกลคือจากท่าเตียนไปถึงนู่นเลยนะครับนะครสวรรค์สำหรับเรือที่เดินเส้นทางระยะไกลๆก็จะเป็นเรือสองชั้นขนาดใหญ่ ชั้นบนก็จะจุผู้โดยสารประมาณ 80-90 คนส่วนชั้นล่างก็จะมีห้องเครื่องนะครับอยู่ตรงกลางลำเรือพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับก็จะเหลือสำหรับวางบรรทุกสินค้าอุปโภคบ้างบริโภคบ้างซึ่งในยุคนั้นก็ยังนิยมบรรจุใส่กระบุงตะกร้าลองนึกภาพดูนะครับเป็นภาพที่น่าสนใจทีเดียวส่วนสินค้าที่บรรทุกเข้ามาที่กรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชสวน เวลาขากลับนะครับจากกรุงเทพไปก็จะเป็นของจิปาถะเช่นเสื้อผ้าเหล้าบุรีอาหารแห้งอาหารกระป๋องอย่างนี้เป็นต้นนะครับและนี้คือเรื่องราวลมหายใจวิถีชีวิตของเรือเมในสมัยก่อนที่อยากจะเล่าให้คุณฟังได้รับทราบถึงวิถีชีวิตของคนไทยการสัญจรในสมัยก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ลองเรือมาหารักสักครวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแขวสอดสายตาแลมหายิ่งรักจริงหนึ่งนาะ ที่สมสารหารักบ้านไกลมี้างได้ให้ทานรักบางรูปไม่สวยไม่รวยสตารชื่อเถิดนามที่นี้รักเดียวใจเดียว สอยงคู่ป่าดาวคู่ป้ายินมพาคู่ผู้เขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกลุ่มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวปอดเรือเว ข้าเรือผิวเนื้อกราดลมทนระธรรมระธรรมน้อยน้าจอดช้านายสาไม่นำพา่าศนามีน้อยลอยไปตามเรือ เป็นหนุ่มนอนกลุ่มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวกอดเรือเววานุ่มชาวเรือผิวเนื้อกราดลมทนระธรรมระธรมน้อยนาจอดท่าไหน พาม่นําพาวาดสนามีหนอนลอยไม่ตามรึบทเพลงที่ทรงคุณค่า สาระทางภาษาและภูมิปัญญาไทยที่น่าสนใจคุณสามารถรับฟังได้ในรายการมรดกไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่น FM 89.5 MHz เมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังชันวิทยุราชมงคลธัญบุรีกับช่วงเวลาแห่งความสุขคุณผู้ฟังครับในแต่ละวันเราก็จะมีปัญหาเล็กน้อยว่าวันนี้จะทานอะไรดี เพราะว่าเมนูซ้ำๆของเราก็อาจจะมีมมผัดกระเพราไข่เจียวแกงเผ็ดต้มยำผัดผักแต่ว่าก็จะมีทางเลือกของเมนูอาหารนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยววันนี้ในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิทธิ์ที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือรังเสร็จมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก๋วยเตี๋ยวสันนิษฐานว่า มีมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งในช่วงนั้นนะครับอยุธยาก็ติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากมายทีเดียวหนึ่งในต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเราก็จะมีชาวจีนนะครับชาวจีนก็ได้นําเอาก๋วยเตี๋ยวเข้ามาเผยแพร่ในราชอาาจักรไทยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่รับประทานกันในเรือ มีการต้มน้ำซุปมีการใส่หมูใส่ผักแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆเพิ่มความอร่อยสำหรับคนไทยแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นของแปลกใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็มีคนทดลองแล้วก็ติดใจแล้วก็นิยมบริโภคกันมาเรียกว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องต่อมานะครับคุณผู้ฟังในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งในยุคนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายรัฐนิยมที่จะสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคก๋วยเตี๋ยวเรียกว่าเป็นแคมเปญ น, นะครับเชิญชวนให้คนกินก๋วยเตี๋ยวเพราะมองเห็นว่าหากประชาชนหันมาบริโภคก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นการแก้ไขเศรษฐกิจของชาติเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าประชาชนหันมาบริโภคอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวอะไรทํานองเนี้ ก็จะมีเงินหมุนเวียนภายในประเทศดังคำกล่าวของจอมพลปพิบูลสงครามได้กล่าวไว้ว่าอยากให้พี่น้องคนไทยช่วยการรับประทานกว๋วยเตี๋ยวเพราะว่ากว๋วยเตี๋ยนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามีรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนไทยสามารถผลิตแล้วก็ปรุงได้เอง รับประทานง่ายสะดวกมีคุณค่าทางโภชนาการเขาบอกว่าหากคนไทยรับประทานกว๋วยเตี๋ยวคนละ1ชามวันหนึ่งก็จะมีคนกินกว๋วยเตี๋ยว18ล้านชามซึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวในสมัยก่อนนะครับชามละ90สตางค์ซึ่ง90สตางค์ก็คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 900,000 บาทต่อวัน ก็เป็นจำนวนเงินมากมายทีเดียวที่หมุนเวียนภายในประเทศนะครับก๋วยเตี๋ยวจึงได้รับความนิยมแล้วก็มีขายแทบทุกที่ทุกจังหวัดความนิยมชมชอบในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวก็มีรสมีสูตรต่างๆที่ปรุงแตกต่างกันไปเช่นก๋วยเตี๋ยวสุโคไทยนะครับที่ใส่ถัว่วฝักยาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวสูตรอื่นๆมากมาย แต่ที่ก๋วยเตี๋ยวได้รับความนิยมแล้วก็เป็นสูตรที่หลายๆคนชื่นชอบก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือที่ปทุมธานีหรือก๋วยเตี๋ยวเรือหลังสิธิ์ซึ่งมีรสชาติเข้มขน้นอร่อยแล้วก็เป็นที่ถูก อ, อกถูกใจถึงขนาดว่ามีหนังสือพิมพ์โทรทัศน์แล้วก็สำนักข่าวต่างๆเคยมาทำสารคดีมาสัมภาษณ์จนกระทั่งพี่น้องชาวไทยเนี่ยรู้จักก๋วยเตี๋ยวเรือหลังศิษ์เป็นอย่างดี สำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือก๋วยเตี๋ยวแบบไทยชนิดหนึ่งมีรสชาติจัดจ้านนะครับคุณผู้ฟังน้ําก๋วยเตี๋ยวจะสีคข้นคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเพราะว่าเขาจะใส่เครื่องปรุงที่ต่างจากก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นก็คือมีซีอิ๊วดำมีเต้าหูย้ยีอีกทั้งก็ยังมีน้ําตกน้าตกก็มาจากของเลือดวัวเลือดหมูเนี่ยผสมกับเกลือสําหรับปรุงแล้วก็เทผสมลงไปนในน้ําร้อนนะครับเรียกว่าวก๋วยเตี๋ยน้าตก สำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเป็นที่โด่งดังแล้วก็ทําให้ก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นเป็นที่แพร่หลายไปทั่วเนื่องจากว่าในสมัยที่มีการตัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ตัดผ่านปทุมธา น, นีก็คือถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วในช่วงที่ข้ามสะพานที่ข้ามคลองรังสิตก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำเป็นเพิงนะครับมาปลูกเพิงขายก๋วยเตี๋ยวมากมายทีเดียว ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวโกฮับหลานโกฮับเลนโกฮับอะไรก็แล้วแต่ผู้คนที่ขับรถผ่านมาเห็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก็แวะรับประทานดังนั้นก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตจึงได้รับความนิยมมีคนเนี่ยลงมาทานก๋วยเตี๋ยวกันมากมายทีเดียวเมื่อมาดูข้อมูลนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตก็แบ่งเป็นยุคยุคที่น่าสนใจเขาบอกว่ายุคแรกเลยก็จะเป็นยุคที่พายเรือสำปั้นนะครับมีอุปกรณ์มีหม้อก๋วยเตียเ๋ยนี้พายขายในคลองลังสิต ก็บริเวณแยกคลอง1คลอง2คลอง3โดยมีโกฮับนะครับก็เดียวเรือโกฮับเนี่ยขายตลอดก็เป็นที่รู้จักของชาวรังสิตในช่วงนั้นนะครับสำหรับยุคที่2นะครับก็ประมาณปี 2,501 ก็มีการยกเรือนะครับที่ภายเนี่ยขึ้นบกแต่ว่าก็ยังนั่งขายอยู่ในเรือตามเพลิงหน้าร้านค้าซึ่งก็ยังใช้เรือสัมปันแล้วก็อุปกรณ์เดิมๆนี่แหละ ที่เคยขายนะครับขายบริเวณในตลาดหลงังเสร็จริมถนนพหลโยธินก็มีแล้วก็บริเวณ ต, ตามตลาดที่ต่างๆซึ่งในปัจจุบันก็ไม่ค่อยเห็นมีแบบนี้แล้วนะครับต่อมายุคที่3คือยุคปัจจุบันก็เริ่มตั้งแต่ปีพศ2537เขาจะมีการสร้างแพนะครับหรือกระทั่งต่อเรือใหญ่ๆที่เ็าเรียกว่าเรือเอี้ยมจุนนะครับจอดลอยลำอยู่ที่คลองหลงังเสร จากนั้นนะครับเราก็สามารถลงไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือในเรือลำขนาดใหญ่แล้วก็ได้ชมบรรยากาศทัศนียภาพของคลองลังสิตแมดูแล้วก็เพลดิดเพลินเจริญใจเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเติมนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวก็จะมีหมูสเต๊ะมีสเต๊กมีอาหารอะไรผสมผสานมากมายเรียกว่าเอาใจผู้บริโภคหลากหลายเมนูทีเดียวนะครับ ทีนี้หลายๆท่านคงอยากทราบนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวนั้นจะต้องมีเคล็ดลับหรือมีวิธีการปรุงอย่างไรบ้างความจริงก็มีคนเปิดเผยสูตรวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวนะครับส่วนประกอบก็มีข้อที่1กระดูกข้อบัวทุบให้แตกนะครับจะเห็นมันมันเป็นสีเหลืองๆนะครับในกรณีของก๋วยเตี๋ยวเนื้อข้อ2กระดูกหมูเลือกเอาช่วงที่เป็นเชิงกราดแล้วก็กระดูกข้อสันหลังอันนี้เป็นกรณีก๋วยเตี๋ยวหมู 3. โครงไก่ก็จะเป็นกรณีของก๋วยเตี๋ยวไก่ 4. กระดูกปลาถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับ 5. อ้อยสดตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ทุบให้แตกนะครับช่วยทำให้น้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีรสชาติหวานแบบธรรมชาติข้อ 6. รากผักชีสดทำให้น้ำก๋วยเตี๋ยวนั้นมีกลิ่นหอมหน่ารับประทานข้อ7จก็จะมีเต้าเจี้ยวดำใช้ทาน้าซุปแล้วก็ผัดราดหน้าเป็นต้น ข้อ8กระเทียมดองที่ปรุงแต่งรสชาติน้ำก๋วยเตี๋ยวทําให้น้ําซุปเนี่ยมีรสอร่อยแล้วก็มีเกลือแกงใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดใส่ไปพร้อมกับการต้มกระดูกนะครับข้อ10ต้นหอมมัดรวมกันให้แน่นแล้วก็ใส่ลงไป11รากขึ้นช่ายนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มพร้อมกับกระดูกแล้วก็12ผักชีฝรั่งปรุงกลิ่นให้หอมน่ารับประทานทีเดียวนะครับ คุณผู้ฟังถามว่าในก๋วยเตี๋ยว1ชามมีคุณค่าและประโยชน์อะไรบ้างผมก็ขอบอกเลยนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนั้นมีคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยสูงมากเพราะว่ามีทั้งโปรโตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์มีวิตามินมีเกลือแร่แล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่มาจากผักแล้วก็น้าซุปที่เคี่ยวแล้วก็ต้มรวมกันข้อสําคัญก็คือรสชาติอร่อยมาก ยกตัวอย่างวันนี้ก่อนมาทํารายการวิทยุนะครับผมก็รับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือไปทั้งหมด3ชามชามละ15บาทก็อร่อยดีแล้วก็ข้อสําคัญคือรู้สึกว่าจะกินแล้วก็อาจจะไม่อ้วนนะครับกินแล้วก็มีความสุขอารมณ์แจ่มใสคุณผู้ฟังนะครับถ้ามีโอกาสลองรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยวสูตรต่างๆก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาก็ขายในคลองลังสิตหรือตามสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งในห้างสรพสินค้า ก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือขายอย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับเพราะว่าคนที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะได้เงินส่วนนี้นำไปเรียงครอบครัวแล้วก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับดดดอออออกกกกไไไมม้้ะรึแลวยังน็ี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 8.5 เม k ะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับในช่วงที่แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวความอร่อยแล้วก็ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ สมมติว่าตอนนี้เราอิ่มท้องแล้วนะครับก็ขับรถเลยไปนิดนึงไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรี ย, ยุธยานะครับเผื่อว่าบางท่านจะได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ยุธยาเพราะว่าที่นั่นมีวัดเยอะมากมายแล้วก็ข้อสําคัญก็คือมีตำนานพื้นบ้านภาคกลางซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัดพนัญเชิงหรือตำนานเจ้าแม่ซ้อยดอกมากนะครับ ในช่วงมรดกปิธีไทยผมจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังได้ฟังนะครับคุณโฟังครับวัดพนัญเชิงก็เป็นวัดที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นวัดอารามหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่แหลมบางกระจะแล้วก็เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ซึ่งชาวบ้านก็นับถือว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตำนานเกี่ยวกับการสร้างวัดพนัญเชิงนั้นก็มีเรื่องเล่ามากมายซึ่งถ้ามีโอกาสต่อไปนะครับผมก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบต่อไปคราวนี้มาพูดถึงตำนานเจ้าแม่ซอยดอกหมากคุณผู้ฟังครับนิทานพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่ซอยดอกหมากแล้วก็พระเจ้าสายน้ำพึ่งนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจ แล้วก็มีกล่าวไว้ในพงศาวดารเนื้อซึ่งฟังดูหลายๆคนบอกว่ามันอาจจะเลื่อนลอยแต่ว่านักประวัติศาสตร์แล้วก็นักโบราณคดีได้คน้นคว้าแล้วปรากฏว่าพระเจ้าสายน้าพึ่งนั้นเคยมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็เคยเป็นกษัตริย์ซึ่งครองเมืองเก่านะครับอยู่ที่ตำบลหนองสโสนก่อนที่พระเจ้าอุทองจะสร้างกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็น ผู้ที่สร้างวัดสำคัญก็คือวัดพนัญเชิงตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าสายน้ำพึ่งและพระนางส้อยดอกหมากได้กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นกษัตริย์ที่ครองกรุงอยุธยาสิ้นพระชนลงไม่มีรัชทายาทสืบทอดสันตติวงศ์บรรดาอมจาจึงปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะคัดเลือกคนที่เป็นคนดีมีบุญญาธิการมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปโดยมีการเสี่ยงทายเรือพระที่นั่งนะครับ แล้วเรือพระที่นั่งนั้นก็ลอยไปจอดกลางทุ่งนาแห่งหนึ่งซึ่งเด็กเลี้ยงควายกําลังเล่นกันอยู่เด็กคนหนึ่งเล่นเป็นกษัตริย์ตัดสินลงโทษประหารชีวิตเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยใช้ไม้ไผ่ทําเป็นดาบพอเพชฌฆาตลงดาบปรากฏว่าเด็กชาวนาคนนั้นคอขาดกระเด็นเป็นไปตามคําสั่งอมร์เห็นเป็นสิ่งอัศจรรย์จึงเชิญเด็กชายชาวนาผู้นั้น ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงอยุธยาสืบมานะครับทางฝ่ายพระเจ้ากรุงจีนมีธิดาบุญธรรมซึ่งกล่าวกันว่ามีกำเนิดจากจันทร์หมากจึงได้นามว่าสร้อยดอกหมากพระนางมีสิริโฉมที่งดงามทัานพระนางเจริญวัยโหนได้ทํานายว่านางจะได้เนื้อคู่เป็นคู่ครองกษัตริย์แห่งเมืองอยุธยา พระเจ้ากรุงจีนจึงส่งสารมายัางพระเจ้ากรุงอโยธยาถวายนางเป็นพระชายานะครับพระเจ้ากรุงอโยธยาได้รับสารนั้นก็มีความยินดีแล้วก็รีบจัดกระบวนเรือออกไปรับตัวนางขณะที่เรือพระที่นั่งผ่านไปถึงวัดปากคลองได้ทอดพระเนตรเห็นหนวรวงพึ่งใหญ่เกาะอยู่ที่ใต้ชอฟ้าจึงส่งอธิษฐานว่า หากพระองค์มีบุญญาธิการจะได้ปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขขอให้น้ำพึ่งหยดลงมาที่เรือครั้นหัวเรื อ, อผ่านบริเวณที่รวงพึ่งนะครับน้ำพึ่งก็หยดลงมาตามที่พระองค์ได้อธิษฐานเอาไว้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์จึงพากันขนานนามว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งนะครับเมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองจีนพระเจ้ากรุงจีนได้รับเสด็จ แล้วก็มีการจัดอภิเศกสมรสให้อย่างสมพระเกยียรติจากนั้นพระเจ้าสายน้ำพึ่งก็พาพระนางส้อยดอกหมากเสด็จกลับกรุงอยยธยาครั้นมาถึงบริเวณที่เป็นวัดพนัญเชิงในปัจจุบันพระเจ้าสายน้ำพึ่งนะครับก็ให้พระนางส้อยดอกหมากรออยู่ในเรือพระที่นั่งส่วนพระองค์ก็เสด็จเข้าพระราชวังเพื่อเตรียมการรับเสด็จ คันเรียบร้อยแล้วก็ให้คนมาเชิญพระนางส้อยดอกหมากเข้าไปในวังแต่พระนางส้อยดอกหมากเกิดความน้อยพระทัยที่พระเจ้าสายน้ําพึ่งไม่เสด็จออกมารับด้วยพระองค์เองพระนางจึงรับสั่งว่าถ้าไม่เสด็จออกมารับก็จะไม่เข้าไปครั้นคนนําความไปกราบทูลพระเจ้าสายน้ําพึ่งนะครับคุณผู้ฟังพระองค์ทรงเห็นเป็นเรื่องตลกขบขัน พระองค์จึงรับสั่งว่านางอุสามาจากเมืองจีนจนมาถึงตรงนี้แล้วถ้าไม่ยอมขึ้นมาก็เชิญประทับอยู่ในพระที่นั่งนั้นเถิดเมื่อพระนางซ้อยดอกหมากได้ทรงทราบความก็ยิ่งน้อยพระไทยเป็นทวีคูณในที่สุดพระองค์จึงตัดสินใจกลั้นใจตายเมื่อพระเจ้าสายน้ำพึ่งเสด็จออกไปรับและได้สรงทราบก็โศกเศร้าเสียพระไทยยิ่งนัก จึงเชิญศพของนางไปพระราชทานเพลิงศพแล้วให้สร้างพระอารามขึ้นตรงบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพพระราชทานนามว่าวัดพระนางเชิงซึ่งต่อมาก็เรียกเพี้ยนนะครับเพี้ยนเสียงไปเป็นวัดพนันเชิงเรื่องนี้คุณผู้ฟังก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเกร็ดประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ก็เป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจทีเดียว กันนานคิดถึงจังเลยท้อเอ้ยน้องเอ้ยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าค่นคืน เอารูปที่เธอให้ไวมาดูที่ไรหัวใจสะอื้นพี่กลัวไอ้นุ่มอยู่ข้างหลังมาตื้อน้องนานควันยืนพี่จนต้องฝืนยืนร้องไห้โทมากรุงเทพ เที่ยวหางานทงตาแตาดดหน้าดําพี่ทนทาไปทั้งงานรับจ้างทุกแห่งหนเป็นเพราะความจนยาเขินใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอจงรอพี่ก่ อ, อนพะวรนเถิดนอง ปาหรือเปล่าเธอส่วนที่สิเพิคิดถึงอย่างแรง เดียวหางานทงตากแตดหน้าดาพิทนทํไปทั้งงานรับจ้างทุกแห่งหนเป็นเพราะความจนยะเข็นใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอจงรอพี่ก่ อ, อนพวรนเถิดน้อง ที่บ้าหรือเปล่าเธอส่วนที่สิเธอคิดถึงอย่างแรง คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เมตอนนี้เวลาของรายการมรดกไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการมรดกไทยได้ใหม่ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี fm 8 9 5 MHz เมคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนผู้ดำเนินรายการขอขอบคุณมากๆสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราจะพบกันใหม่คราวหน้าสาหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข สวัสดีครับ FM 89.5 MHz สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMUTT Moving Towards Innovative University